ช่วงก็ดูมองมัวนะทึมๆเทาๆเหมือนกับว่าท้องฟ้านี่เปลี่ยนสีจริงๆทองฟ้าก็อย่างสีฟ้านะกรามเหมือนเดิมนะแต่ที่เราเห็นนะมองมัวทึมๆเทาๆนี่ก็เป็นเพราะมีเมฆหนานแน่น ถ้าหางว่าเมฆนั้นเน่ยจางหายไปเมื่อไหร่เน่เราก็จะเห็นท้องฟ้าสว่างสดใสสวยหรือถึงแม้ว่าเมฆยังไม่หายไปแต่ถ้าเราบินขึ้นไปเหนือเมฆเนี่ยก็จะเห็นว่าท้องฟ้านะก็ยังสีฟ้านะสวยเหมือนเดิมนะท้องฟ้าไม่เคยเปลี่ยนนะ แต่ว่าที่เราเห็นว่าท้องฟ้าหมองมัวนี่ก็เพราะเมฆใจเราก็เหมือนกันนะใจเราก็มีความผุดผ่อ ง, องใสแต่บางครั้งเนี่ยหมองมัวหรือว่าหม่นหมองเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งอื่นเนี่ยเข้ามาสิ่งนั้นท่านก็เรียกว่า กิเลสนะอย่างที่มีพุทธภา ษ, ษิตว่าจิตนั้นประพัสสอนแต่มองมัวเพราะกิเลสนะจอนเข้ามาากิเลสนี้ก็ถือวเป็นอาการต ก, กะนะหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ประจำหรือว่าฝังอยู่ในจิตแต่มันเป็นสิ่งที่ ผ่านเข้ามาอาจจะโช์ครูโชว ย, ยามเหมือนกับเมฆเนี่ยที่มันไม่ได้อยู่ประจำนะบทบังทองฟา้าว่าลมเนี่ยนะพัดเมฆนะให้เคลื่อนออกไปเนี่ยหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เมฆมันสลายไปเราก็จะเห็นท้องฟ้าเนี่ย ใสนะกระจางเหมือนเดิม ใ, ใจเราเนี่ยมันประพัดสอนหรือว่าผุดพองอยู่แล้ ว, แ, ลวแต่ที่เป็นเช่นแต่ที่หมองมว น, นี่ก็เพราะกิเลสหรือเพราะอารมณ์อกุศลต่างๆนี่เข้ามาจอนเข้ามา จนกระทั่งบทบังนะความผุดพองนะของจิตความพุดพองจิตเนี่ยนะในระดับอุตุชนอย่างเราเนี่ยมันก็คือความผุดพองแห่งความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ ย, ม เ, ยเมื่อใดก็ตามที่เราสัมผัสรับรู้ได้เนี่ยหรือปรากฏ เป็นที่ประจักษ์กันเราเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกถึงความปลอดโปรง่งสว่างสวยก็ได้ความรู้สึกตัวเนี่ยสําหรับหลายคนเนี่ยเวลามาปฏิบัติเนี่ยก็ไปเข้เาใจเป็นสิ่งที่ต้องหามาต้องไปหาต้องแสวงหาให้เจอเมืออกลับไปแสวงหาความสุข นะซึ่งเรามักจะคิดว่ามันอยู่ข้างนอกจริงแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวนี้ไม่ต้องไปสแสวงหานะมันมีอยู่แล้วแต่ที่ไม่เห็นนะไม่รับรู้หรือไม่รู้สึกเนี่ยเพราะว่ากิเลสหรืออารมณ์ต่างๆนี่มันก็มาบดบังไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยืนพื้นนะอยู่ประจำยืนพื้น ในใจนะมันจอนเข้ามาจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่แล้วสิ่งที่เราควรทำเนี่ยนะมันไม่ใช่ไปหาความรู้สึกตัวนะหรือไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มนอกไปจากการที่ทำให้ใกิเลสหรือว่าความหมองมัวเหล่านี้เนี่ยมัน จางคลายไปเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าความหลงก็ได้นะในสิ่งที่มันจอนเข้ามาแล้วทำให้จิตของเราดูหมองมัวดูกระดำกระด่างมันเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาอ้ตัวหลงเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเนี่ยหรือต้องทำเนี่ยไม่ใช่ไปหาความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ ทำให้ตัวหลงเนี่ยมันหมดไปหรือว่าจางคลายไปตัวหลงมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้สึกตัวเมื่นนั่นแหละจะเรียกว่าความหลงคือความไม่รู้สึกตัวก็ได้หรือความไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะความผุดป่องของจิตเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาความรสึกของจิตก็ไม่ต้องไปหาเพียงแต่ว่า ทำให้กิเลเนี่ยมันหมดไปน็คือว่าเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มสิ่งที่ทำคือการลดการละหรือว่าการเลิกหรือเพิกถอนไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเพียงแต่ลดสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคให้มันมีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆ ผู้ใหญ่ก็คือว่ามันต้องไม่ต้องไปหาหรือเพิ่มความสึกตัวหรอกแค่ลดความหลงนะทำให้มันจางคลายไปจากใจอะไรที่ทำให้ความหลงนี่มันหายไปจากใจนี่นะสิ่งสำคัญก็คือสตินี่แหละสติที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราก็ใช้เป็นประจํา แต่วาสตทิที่เราใช้เนี่ยนะนะส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้เพื่อการระลึกได้ถึงสิ่งที่เราได้จดจําเอาไว้หรือระลึกได้ถึงสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในการรับรู้ของเราจะเป็นคําพูดเหตุการณ์หรือว่ารูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่เราได้รับรู้ในอดีตที่ผ่านมา เราใช้สติเพื่อระลึกนะนึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นึกถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเมื่อเย็นวานหรือว่านึกถึงข้อตกลงคำสัญญานะที่ได้ทำขึ้นนะ นะเวลาทำธุรกิจการงานนึกถึงความรู้ที่ได้เรียนมานึกถึงข้อความที่เราได้อ่านได้เห็นเมื่อทิที่แล้วหรือเมืม่อสักครู่นี้หรือไม้กั่งนึกถึงบทสวดนะข้อความที่เราพื่งได้สาธยายนะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เราใช้สตินะในการ ทำงานเพื่อให้ระลึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นรูปรสกลิกลก่นเสียงสัมผัสข้อมูลความรู้เหตุการณ์ประสบการณ์ต่างๆซึ่งผ่านไปแล้วแต่ว่าสติที่เราไม่เคยได้ใช้นะก็คือสติในการที่ทำให้เราระลึกรู้ได้ว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันซึ่งรวมไปถึงว่าทำให้เรารู้ทัน หรือเห็นความคิดและอารมณ์ต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นในใจซึ่งรวมไปถึงความหลงนะที่มันเกาะกลุ่มหรือบดบังใจเอาไว้อยู่สติตัวนีนะ้เรียกว่าสัมมาสตนะิซึ่งแต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงยังไม่ค่อยมีกำลังนะยังไม่ว่องวัยปราดเปรียว การภาวนาเนี่ยหรือการบาเพ็ญทางจิตเนี่ยหรือถ้าเราเรียกในภาษาปัจจุบันปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันก็คือการเพิ่มกำลังให้กับสัมมาสติตัวนี้แหละเพื่อที่จะได้รู้ทันตัวหลงที่มันมาบดบังครอบงมจิตใจ สิ่งที่เราทำเพิ่มคืออันนี้แหละคือเพิ่มกำลังให้กับสัมมาสติหรือเรียกง่ายๆว่าเพิ่มพลังให้กับสติเรียกว่าเจริญสติหรือทำให้มีสติมากขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ทันเห็นตัวหลงไม่ว่าจะมาในรูปใดที่มันทำให้เกิดความไม่รู้สึกตัวขึ้นมา ถ้าเรามีสติที่ว่องไวปราดเปรียวการคืนสู่ความรู้สึกตัวมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายดังที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยก็เพื่อมาทำให้สติของเราเนี่ยเจริญงอกงามขึ้นแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วปราดเปรียวมีอารมณ์ใดที่มันทำให้จิตหมองมัว ไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกรวมๆว่าอากุศลซึ่งเกิดจากกิเลสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโศกความเศร้าความขับแค้นความโกรธหรือว่าเราเรียกรวมๆบางทีว่าเนี่ยความไม่สบายใจเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันเราก็รู้สึกทุกข์ขึ้นมารู้สึกหมองมัว รู้สึกรุ่มร้อนรู้สึกขับแค้นวันนี้เนี่ยเรียกรวมๆนะคือว่ามันเป็นเพราะเราไม่รู้สึกตัวแล้วที่ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าขาดสติแต่พอมีสติเมื่อไหร่นะสติก็จะทำหน้าที่อสอดส่องจิตใจและพอเห็นว่ามี อารมณ์ใดเกิดขึ้นจริงๆเพียงแค่รู้ทันเนี่ยเพียงแค่สติเห็นเนี่ยในสิ่งที่จอดเข้ามาเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะที่จะทำให้สิ่งเรานี่มันจางคลายไปเหมือนกับว่ามันแพ้ทางกันหรือมือนกับว่าความมืดเนี่ยนะมันจะดับไปทันทีมันจะหายไปทันทีเลยเมื่อเจอแสงสว่างเราไม่ต้องไปขับไล่แสงสว่าง เพียงแต่ปล่อยให้เราไม่ต้องไม่ต้องไปขับไล่ความมืดเราเพียงแต่ปล่อยให้แสงสว่างเข้ามาแลนะจิตมันสติมันทําหน้าที่คล้ายๆกันนะพอมีสติเกิดขึ้นเมื่อใดเนี่ยรู้ทันอารมณ์หมองมัวอกุศลต่างๆที่เข้ามาข้อ ง, งําใจอารมณ์เหล่านั้นก็จะจางหายไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่บางทีเราก็ พูดตีแบบหนึ่งว่าพอมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะอารมณ์พวกนี้ก็หายไปอันนี้ก็ก็พูดได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือสตินะที่มันจะช่วยทำให้ความรู้สึกตัวกลับคืนมาหรือว่าเรากลับมารับรู้ถึงความรู้สึกตัวซึ่งมีอยู่แล้วนะกับตัวเราเวลาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องแสวงหาความรู้สึกตัวนะมันอยู่กับเราแล้ว แต่ที่เราไม่รู้สึกตัวก็เพราะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามารวมทั้งความคิดด้วยเวลาใจาลอยๆคิดโนงคิดนี่เนี่ยมันไม่รู้สึกตัวหรอกแล้วยิ่งพอเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะไ อ, ะอความหมองมัวรวมทั้งอารมณ์ต่างๆนี่มันก็เข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้ง่ายขึ้นอันนี้เรียกว่าความหลงแต่พอเรามีสติเมื่อไหร่หรือสติทางานเมื่อไหร่นะ เพียงแค่เห็นมันเท่านั้นแหละมันก็จะจางคลายไปในการจลรสติน่านถสอนนะว่าเนี่ยก็เพียงแต่ว่าให้รู้ทันให้เห็นมันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรียกว่าเห็นใจนะเพราะว่าเห็นใจนี่ไม่ได้หมายความว่าเห็นอกเห็นใจนะแต่ว่าเห็น ความเป็นไปของใจที่เกิดขึ้นเพียงแค่เห็นอาการต่างๆนะหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยนะเท่านี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความโปร่งเบาความสงบเย็นเน่กลับคืนมาสู่จิตใจของเราหรือทำให้ใจเรากลับคืนสู่ภาวะปกติ ในการเห็นที่ว่าเนี่ยนะเราจะเรียกว่ารู้ทันก็ได้ถ้ารู้ทันเมื่อไหร่ไอความหลงนี่มันก็เข้ามาเล่น ง, งานจิตใจเราไม่ได้ไม่ว่าจะหลงเข้าไปในความคิดหรือว่าหลงเข้าไปในอารมณ์แต่การที่เราจะรู้ทันหรือว่าเห็นอาการของใจได้เนี่ยหรือบทีเ ร, เรียกว่ารู้ใจเนี่ยมันก็ต้องผ่านการรู้กายก่อน หมายความว่าต้องฝึกให้รู้กายได้อย่างสม่ำเสมอนะนั่นถึงึงถึงจะมารู้ใจได้รู้กายก็หมายความว่าเวลาทำอะไรเนี่ยนะไม่ว่าทำอะไรด้วยกายของเราไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งไม่ว่ายืนนะหรือว่ายกมือเนี่ยรวมทั้งหายใจทำแล้วก็ตามที่ใช้กายเนี่ยเราก็ รับรู้ไดนะ้ใจนี้รับรู้ได้คือรู้สึกนะถึงกายเคลื่อนไหวเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินนะเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งรวมทั้งด้วยบท อ, อื่นด้วยนะต่อทั้งทำกิจกรรมอื่นอาบน้ำถูฟันล้างจานทำครัวกวาดบ้านนะทั้งหมดนี้เนี่ยนะ มันเป็นเรื่องของการใช้กายทํากิจต่างๆในการฝึกสติเนี่ยต้องกลับมาเริ่มต้นที่ตรงเนี้ยก็คือมารู้กายมารู้สึกนะเวลากายเคลื่อนไหวถ้ารู้สึกเมื่อไหรเนี่ยมันก็รู้สึกตัวเมื่อ น, นั้นแหละนั่นมันคู่กันเลยนะรู้สึกว่ากายทําอะไรไม่ว่าจะเปิดตาหรือหลับตา ความสึกตัวก็เกิดขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยใจนี่มันมาอยู่กับปัจจุบันการที่ใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้ความสึกตัวเนี่ยปรากฏชัดอย่างที่เราบอกว่าพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะแล้วที่ใจอยู่กับปัจจุบันได้ก็เพราะมีสติเนี่ยเป็นตัวกากับสติเป็นตัวกากับใจให้มาอยู่กับปัจจุบัน สติมาทำหน้าที่หลายอย่างนะมันไม่ใช่เพียงแค่ระลึกได้หรือว่าทำให้รู้ทันอารมณ์แต่ยังช่วยกํากับจิตให้อยู่กับสิ่งที่ควรทำด้วยเช่นเราทำอะไรในปัจจุบันในขณะนี้กาลังฟังอยู่นี่คือกิตในปัจจุบันสติก็ช่วยกํากับหรือนำให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับการฟังได้อย่างต่อเนื่องบางครั้งใจมันก็เผลอไปคิดโน้นคิดนี่ ออกไปนอกศาลาบ้างออกจากปัจจุบันไปอยู่กับอดีตบ้งไปอยู่กับอนาคตจมปลักอยู่กับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านไปแล้วหรือว่าภาพที่มโนเกี่ยวกับวันข้างหน้าอันนี้เรียกว่าหลงนะตอนเนี้ยในภาวะเช่นั้นมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็เลยพอหลงก็ไปในความคิดแล้วเนี่ยพออารมณ์เกิดขึ้นก็หลงก็ไปในอารมณ์อีกนะส่งจิตออกไปนอกตัวออกจากปัจจุบันมันก็ทาให้เกิดความ โซกความเศร้าความวิตกกังวลความโกรธแค้นสารพัดลองสังเกตดูเวลามีอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาในใจเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าใจนี่มันหลงเข้าไปในความคิดแล้วก็ปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้น ซ, ซึ่งล้วนแล้วแต่มักจะเป็นผลมาจากการไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่นอกตัวหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันคืออดีตหรืออนาคต แต่พอใจกำลังอยู่กับปัจจุบันนะมันก็รับรู้สิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วมันช่วยทำให้วางอารมณ์ต่างๆลงไปแม้กระทั่งความเครียดซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าเครียดเพราะงานแต่จริงๆมันเครียดเพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับงานหรอกใจนี่มันไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับผลของงานที่คาดหวังแล้วก็ปรุงแต่งว่าเราจะ ทำสําเร็จไหมเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีทําเสร็จแล้วนี่กลัวคนเขาจะต่อว่ากลัวคนเขาจะตำเหน็ ก, ก็เกิดความเครียดขึ้นมาอันนี้เราไม่ได้ถูกพังงานนะแต่ถูกเพราะว่าใจเนี่ยมันไปอยู่กับผลของงานซึ่งเป็นเรื่อ ง, อ, งอนาคตการที่ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับงานกลับอยู่กับปัจจุบันได้นี่ก็เพราะสตินะอย่างที่บอกไว้ว่าสตินี่เป็นตัวกํากับจิตให้อยู่กับสิ่งที่ทําให้อยู่กับปัจจุบันแถ้าเราทางานอะไรก็ตามเนี่ย เรมีสติดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจมอยู่กับงานเต็มร้อยนะมันก็จะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจด้วยอย่างที่บอกนะเวลาทํางานแล้วเนี่ยใจมันลอยไปโน่นไปนี่ไปนึกถึงอนาคตไปอยู่กับผลของงานอยู่กับความสําเร็จที่คาดหวังหรือกลัวว่าจะไม่เกิดแล้มีความเครยดขึ้นมาเนี่ยอ่าสติรู้สติรู้ทันแนละ้วก็พาใจกลับมาอยู่กับงาน ในความเครียดความวิตกกังวล ม, มันก็จางคลายไปในการปฏิบัติในการเจริญสติเนี่ยหรือว่าในการภาวนาเพื่อสร้างสติให้มีขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีความคิดต่างๆนะเกิดขึ้นมากมายซึ่งก็เป็นธรรมดานะและ้วาวนาจํานวนมากนี่ก็มีความทุกข์มากนะเพราะ ว, าว่าความคิดมันเยอะเหลือเกินอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไปคาดหวังความสงบ หรือไปเข้าใจว่าการเจริญสติเนี่ยนะมันทำเพื่อความสงบแต่จริงจรเจริญสติเพื่อเรามาฝึกเรามาเจริญสติเพื่อให้รู้ทันทุกอาการทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความฟุ้งมันมีความคิดมากมายก็ก็แค่รู้ทันมันรู้ว่ามันมีความคิดเหล่านั้นอยู่แล้วเพียงแค่รู้เฉยเฉยเท่านี้นะมันก็พอมันก็เพียงพอที่ทั้หความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะมาครอบคลุม เกาะ ก, กลุ่มหรือว่าครอบงําจิตใจของเราได้แต่บางคนเนี่ยพยายามที่จะบังคับจิตเนี่ยไม่ให้คิดนะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดพอจิตมันคิดก็โกรธโมโหนะบางทีโมโหตัวเองว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินตอนนั้นที่จิตเนี่ยมันกาลังแสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะว่าจิตเนี่ยมันก็เป็นอนัตตานะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลย เราไม่อยมันคิดแม้ก็คิดเราไมาเ่เลยใด้ซ้ำว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรนะหรือจะคิดหรือไม่อีกสามสิบวินาทีข้างหน้านี้เราจะคิดเรื่องอะไรนี่เราอย่างตอบไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดแต่ประเดี๋ยวเดียวมันก็คิดน่นคิดนี่แล้วทํำยังไงนะก็ยังทําอะไรก็แค่ดูมันเฉยเฉยนะมันจะคิดขึ้นมาแล้ว หรือว่ามันจะปรุงอารมณ์ต่างๆตามมาก็แค่รู้ทันมันอย่าไปพยายามบังคับความคิดอย่าไปพยายามบังคับจิตมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อชาแล้วก็ถามหลวงพ่อชาว่าเวลาภาวนาจิตมันเตลิดเยอะเหลือเกินทำไงจะให้จิตสงบ หลวงพ่อช้างก็ตอบว่าจิตมันเตลือก็ปล่อยมันเตลิดไปเดี๋ยวมันขี้เกียจคิดมันก็เลิกคิดเองอคําแนะนําของท่านอน่าสนใจนะเพราะบางทีเราไปคิดว่าเนี่ยเลยว่าภาวนานต้องมาขับจิตนะต้องทําให้มันหยุดคิดทําให้มันหยุดปรุงอันนี้ทําได้ยาก ถ้าวัจจตของเรายังไม่ได้ผ่านการฝึกมาสิ่งที่ทำได้คือว่าเมื่อมันคิดก็เห็นความคิดเมื่อมันปรุงก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงนั้นไม่ต้องบังคับแต่ก่อนเนี่ยตอนไม่ปฏิบัตินี่เราก็ชอบปล่อยใจลอยฟุง้งนะอันนี้ก็เป็นการสุดตรงอย่างหนึ่ง แต่พอมาปฏิบัติบางทีก็เวียงเข้าไปในทางสุดตรงอีกทางนก็คือพยายามไปบังคับจิตเพลอก็ไม่ใช่นะเพ่งก็ไม่ถูกแต่ว่าให้แค่รู้ทันหรือว่ารู้เฉยๆรู้ทันมันก็พอนัสตีที่ช่วยทำให้รู้ทันความคิดอาหหลม่มต้องทำให้มันเนี่ยเข้ามาเกาะกลกุ่มจิตใจไม่ได้เหมือนกับโจรที่แอบเข้ามาขโมยของในบ้าน แต่พอเจ้าของบ้านเห็นหรือพอมันรู้ว่าเจ้าเจ้าของบ้านเห็นเนี่ยมันก็ลาถอยไปเจ้าของบ้านนี่ไม่ต้องทำอะไรกับมันบางทีไม่ต้องเปล่งเสียงไม่ต้องหาอาวุธมาไล่หาไม้มาตีมันไปเองการเห็นเนี่ยมันมีอำนาจนะพอที่จะทำให้ไอ้ตัวหลงเนี่ยนะมันหายไป หรือว่าความคิดอารมณ์ต่างๆที่ทำให้ความหลงเกิดขึ้นครอบงมจิตใจมันหายไปวิธีนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวนะอย่างต่อเนื่องหรือกลับมาสู่ความรู้สึกตัวแต่ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกตัวนะหรือความรู้ตัวเนี่ยต่อไปความรู้หรือการรู้ความจริงก็จะเกิดขึ้นตามมา หลงเนี่ยมันมี2 อ, อย่างนะคือไม่รู้ตัวกับไม่รู้ความจริงสติเนี่ยมันช่วยทำให้ความไม่รู้ตัวเนี่ยหมดไปแล้วพอมีความรู้ตัวต่อไปเนี่ยการรู้ความจริงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นรู้ความจริงคือไม่ใช่แค่รู้ความจริงของกายและใจในปัจจุบัน ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันมีสุ ข, ขเวทนาเกิดขึ้นมีความดีใจเสียใจทั้งอะไรทํานองนี้เท่านั้นนะแต่มันยังเห็นถึงสัจธรรมที่อารมณ์และความคิดเหล่านี้แสดงตัวออกมารวมทั้งกายและใจด้วยที่แสดงตัวออกมานั่นคือนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ว่าสุขก็ไม่เที่ยง แล้วก็เตื่ไปด้วยทุกข์แม้ว่าลวนทั้งความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพราะมันเองก็สุดท้ายก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องสลายหายไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านี้ก็ล้วนแต่แปรปรวนพอมันหายไปปัจจัยที่ปรุงพอมันหายไปความทุกข์ที่เกิดเหตุจากปัจจัยเหล่านั้นก็หายไปด้วยอันนี้คือสัจธรรมนะที่มันแสดงตัว ให้ก่จิตเนี่ยจกนกระทั่งว่าเออได้รู้ความจริงตรงตรงนี้เนี่ยตัวอวิชชาที่มันครอบงามจิตอย่างหนานแน่นนะจกนกระทั่งทําให้จิตเนี่ยไม่สามารถแสดงความผุดผ่องผ่องใสออกมาได้อย่างต่อเนื่องหรือตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะหายไปนะสิ่งที่ทําให้จิตหมองมัวเนี่แจะว่าไปมันก็มีอยู่สองชั้นนะตัวหนึ่งคือความหลงคือความไม่รู้ตัวอีกตัวหนึงคืออวิชชาการไม่รู้ความจริง การเจริญสติการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อทําให้ที่แรกกลับมารู้สึกตัวหรือเกิดความรู้ตัวขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วความรู้ตัวสติเนี่ยมาช่วยกันทําให้เกิดปัญญาจกนกระทั่งทําให้การไม่รู้ความจริงหรืออวิชชาเนี่ยซึ่งเป็นตัวสร้างความหมองมัวอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจางคายไปถึงตอนนั้นจิตนี่ก็จะผุดผ่องตลอดเวลาเกิดความสงบเย็ น, นยที่เราเรียกวานิพาน การปฏิบัตถ้าเราทำนะเป็นขั้นเป็นเป็นขั้ น, เ ป, น, นเป็นตอนทีละขั้นทีละตอนเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความจริงของจิตที่แสดงถึงความผุดพองประพัฒสอนให้ประจักษ์แก่เราได้นะอย่างแท้จริงชาญวุฒนินน ะ, ะกระับรับ